ในขณะเดียวกันปฏิสัมพิทาก็เป็นเครื่องนําออกจากทุกของผู้กลัวภัยในวัฏะสงสารบางคนก็บอกฉันไม่อยากสอนใครหรอกอันนี้ก็แล้วกันคือไม่อยากสอนแต่อย่าเลิกเรียนก็แล้วกันแต่คัมภีร์ปฏิสัมพิทานี้ช่วยให้พ้นทุกข์ได้นะถ้ากลัวภัยในวัฏะจริงๆถ้ากลัวภัยในวัฏฏะจริงๆนะภัยในวัฏฏะมีอะไรบ้างภัยในวัฏะก็ชาติภัยชราภัยพยาธิภัยมรณะโศกะปริเทวะทุกขโตมณัตอุปาญาตภัย ถ้ามีทรัพย์สินทั้งหลายมีอะไรภัยบ้างถ้ามีทรัพย์นะอัคคีภัยโจรภัยอุทกภัยอนะอะไรวาตภัยเะก็กลุ่มภัยทั้งหลายแลเนหละถ้ากลัวภัยทั้งภายนอกกลัวภัยทั้งภายในเป็นต้นก็ศึกษาปฏิสัมพิธามากนะจะทําให้พ้นภัยทีนี้การกลัวภัยเหล่าเนี้ยนะก็ผู้ที่ศึกษาก็จะเพื่อพ้นภัย มีประโยชน์ในการยังความชุ่มชื้นให้เกิดเพราะเห็นอุบายในการออกจากทุกนั้นใครที่ศึกษาปฏิสัมพิธา ม, มักจนจบนะอย่างน้อยกระยิ่มมั่นใจว่าเออนี่แหละทางนี้แหละช่วยให้เราออกจากวัฏฏะได้อย่างแท้จริงเพราะว่าคิดได้แยบครยอะ่ะคิดตามภาษาลีบุตรเนี่ยนะผู้มีปัญญาเลิศเราก็ต้องมีปัญญาบ้างอยู่แล้วล่ะนะคิดเออทางนี้แหละที่จะทําให้ออกจากวัตฏะทุกมองเห็นทางร่ําไรร่ําไรเลยนะแต่จะเดินได้เมื่อไหร่อีกเรื่องนึง พูดแบบผู้การนะการว่ารู้ทางอนะ่ะแต่เมื่อไรอีกเรื่องหนึ่งนะ น, นีนของให้รู้ทางเลยเนะี่ฟังแล้วอุ่นใจเลยใช่ไหมแต่เมื่อไรอีกเรื่องหนึงนะ่งเนี่ยว้าวเลยนะให้รู้ทางอ่ะนะใช้ได้แล้วนะ <Okay. S 1> ก็ปฏิสัมพิทามักว่าเป็นคำพีที่เป็นทางแห่งปฏิสัมพิทาอยู่แล้วแต่ว่าเป็นการบรได้ปฏิสัมพิธาแบบบรรลุแบบได้แตกฉานอ่ะนะเสร็จแล้วบอกว่า ปฏิสัมพิธามีประโยชน์ในการทําลายอากุศลธรรมอันเป็นปฏิปักษ์ต่อนิสรณธรรมนั้นคือเป็นการทําลายอากุศลที่เป็นปฏิปักษ์ต่อพระนิพพานเพราะคําว่านิสรณธรรมเนี่ยนะธรรมที่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดอ อ, ออกจากการยึดถือเป็นชื่อของพระนิพพานสารณะเนี่ยแปลว่าการยึดถือนิสรณะแปลว่าไม่ยึดถือซึ่งหมายถึงการพ้นทุกข์เป็นชื่อของพระนิพพานเพราะนั้น ปฏิสัมพิทานเนี่ยจะทำลายอกุศลที่เป็นปฏิปักษ์ก่อพระนิพพานอ่านะตัวที่เป็นมิจฉาปฏิบัติที่ขัดขวางพระนิพพานคืออะไรมิจฉาทิฐิอนะเป็นต้นนั่นเองเอันนะัมิจฉามรคนั่นแหละเป็นทางที่ขวางก่อพระนิพพานเพราะฉะนั้นคำพี์ปฏิสัมพิธามร์ ก, ก็เป็นคำภี์ที่ออนุโลมตามอริยมร์มีองค์แปดซึ่งเป็นไปเพื่อ พระนิพานและมีความามีประโยชน์ให้เกิดความยินดีในหะไทยแก่กาลยานชนหมายถึงว่าคนดีทั้งหลายเนี่ยนะเมื่อฟังปฏิสัมภิธามักก็จะยินดีปลื้มใจเนี่ยนะหมายถึงว่าเวลาฟังแล้วก็นิวรนไม่กลุ้มรุ่มเป็นคำพีที่เปิดเผย อ, อัดแห่งบทพระสูตรมีเนื้อความอันลึกซึ้งไม่ใช่น้อยอันท่านทักเสนา อันท่านพระสารีบุตรผู้ท ร, รมัสนาบดีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ธรรมราชาภาสิทธ์แล้วเนี่ยนะคือพระสารีบุตรเป็นผู้เรียบเรียงคมภีรปฏิสัมพิธาขึ้นเนี่ยนะจริงๆท่านก็ไปเอาพุทพธพจน์ตามที่ต่างๆนั่นแหละมาประกอบมาร้อยกรองอ่ะนะตามตามแนวของพระพุทพธพจน์ก็เพราะปฏิสัมพิธามักจุรนิเทศมหานิเทศ แล้วก็มีพระสูตรอีกหลายๆสูตรเนี่ยเป็นเครื่องให้พระพุทธเจ้ารับรองท่านว่าเป็นผู้เลิศทางกัญญาเห็นไหมอันนี้เป็นวิทยานิพนธ์ของภาษารีบุตรก็ได้เห็นไหมเป็นผลงานในหลายๆชิ้นด้วยกันนะนี่ก็อีกผลงานหนึ่งของท่านพระพุทธเจ้าเป็นคนให้คะแนนนะนะสอบผ่านหมดทีนี้กล่าวถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเมื่อประทีปดวงใหญ่กล่าวคือพระสัทธรรม พภาษาธรรมเป็นชื่อของโลกุตระกับปริยัติสัตยธรรมเนี่ยนะคำว่าพภาษาธรรมก็คือมรสีผลสีนิพพานหนึ่งและปริยัตเรียกว่าพระสัาธรรมภาษาธรรมคือโลกุตระและปริยัตเหล่าเนี้รุ่งเรืองแล้วด้วยแสงประทีปคือพระสัพพัญยุตยานที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วโดยไม่ขัดข้องสองสว่างกระจางไปทั่วทุกสถานคือสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังมีพระชนอยู่เนี่ยนะ สมัยนั้นเนี่ยพระสัพพัญยุตยานก็ยังอยู่เมื่อสัพพัญยุตยานยังอยู่การประกาศปริยัตเพื่อชี้แจงแสดงแต่งตั้งเปิดเผยทําให้ตื้นซึ่งโลกุตระธรรมทั้งหลายก็มี เ, นะเพราะว่าพระพุทธเจ้ายังอยู่เนี่ยนะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประกาศธงชัยแห่งโลกุตระธรรมนะเป็นผู้ที่เชิดชูโลกุตระธรรมทนี้สมัยที่พระองค์ยังมีพระชนอยู่เนี่ยนะ ถ้าสัตรธรรมสิบประการคื อ, อปริยัติโลกมัชสีผลสีนิพพานหนึ่งก็สว่างรุ่งเรืองมาก เ, เพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยแทบจะเป็นตัวแทนแห่งโลกุตรธรรมเหล่านี้นะทีนี้พระส า, ารีบุตรเนี่ยท่านมีพระทัยสนิทเสนหาประกอบด้วยพระมหากรุณากว้างขวางไปในปวงชนอันนี้แต่นี้หมายถึงพระพุทธเจ้าก่อนนะว่าพระองค์เนี่ยมีกรุณาเนี่ยกว้างขวาง ไปในปวงชนกว้างขวางขนาดไหนนะกรุณาพระพุทธเจ้าเนี่ยเ ร, เราเรียนถึงมหากรุณาสมาบัติญาณจะรู้ว่าพราะองค์เนี่ยมีกรุณากว้างขวางขนาดไหนมองเห็นความทุกข์ของเราแม้แต่ปลายเข็มพระองค์มองเห็นนะนะบางทีเรามีทุกข์อะไรบ้างเรายังมองไม่เห็นว่าเราเป็นทุกข์เลยนะพระพุทธเจ้ามองเห็นทุกข์ของเราได้ละเอียดเป็นอนูเลยแหละเนี่ยนะกว้างขวางวาลึกซึ้งทุกแ ง, ง่ทุก ม, ม, มุมนะปัญหาชีวิตเราเป็นยังไงบ้างพระองค์เนี่ยมองเห็นทุกแ ง, ง่ทุกมุมห ม, มด มันโพงเนี่ยมีพระไทยกรุณากว้างขวางทีนี้การแสดงธรรมของพระองค์ก็เพื่ออะไรเพื่อกาจัดความมืดมนอนตการในใจคือกิเลสด้วยพระมหากรุณาในเวนายชนแต่ทีนี้ในกรุณาเนี่ยตอนที่กรุณาเนี่กรุณากว้างขวางไม่มีส่วนเหลือแต่ตอนที่สอนนะสอนเฉพาะเวนายชนคนที่พอสอนได้ ก็ลองใครมีความรู้ปะจจัยวิกประเทศให้แมลงให้ปลวกฟังดูดิเขาจะชมหรือเขาจะว่าเอาอ่ะก็สัตว์เหมือนกันอ่ะนะไม่สามารถสอนได้ขนาดนั้นหรอกก็สอนคนที่พอสอนได้เท่านั้นแหละเนี่ยนะก็เลยยกมาว่าสอนเฉพาะเวนัยชนคือชนที่พอสอนได้เนี่ยนะชนที่พอสอนได้ก็คือผู้ที่ประกอบไปด้วยอะไรสีแลสังวรเป็นต้นเนี่ยนะเวนัยก็มาจากวินัยวินัยมีกี่ย่ง สองอย่างวินัยก็คือสังวรวินัยกับห า, ว น, าวนวินัยสังวรวินัยมีห้าปานวินัยมีห้าพระพุทธเจ้าสอนคนที่พรอมมีวินัยเหล่านี้เนี่ยนะเรียกว่าสงเคราะห์เวนัยชนด้วยการยกพระศัท ธ, ธรรมนั้นขึ้นมาอธิบายให้กระจ่างแจ้งแก่ปวงชนด้วยความสเสน่หาคือกรุณาที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมทั้งหมดเนี่ยนะ ด้วยการยกภาพปริยะติธรรมขึ้นอธิบายชี้แจงประกาศให้เห็นแจ้งโลกุตระธรรมเนี่ยพระองค์เนี่ยทำด้วยพระมหากรุณาสมัยพระผู้มีพระภาคยังมีพระชนอยู่นั้นน่ะพระองค์แจ่เจริญกรุณาแบบยิ่งใหญ่เลยนะวันละสองครั้งคือเช้ามืดเนี่ยเช้ามืดจะเจริญกรุณาแผ่ไปในโลกธาตุอันไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยนะแล้วก็ใช้สัพพัญยุตยาน ใช้อนาวารณยานอินเดียประปริยตญาณอาสญุญยยานตรวจแผลแผกไข่ดูอัธยาศัยของสัตว์ทั้งหลายแล้วก็ไปถ้ามีผู้มีอุปนิสัยก็จะไปแสดงธรรมให้เขาฟังเนี่ยนะถ้าไม่มีใครมีอุปนิสัยพระองค์ก็หลีเกเร่นอย่างนี้ใ น, นช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายอีกครั้งหนึ่งอย่างบ่ายๆเนี่ยพระองค์ก็จะตรวจดูอัธยาศัยของเวนนยสัตว์อันนี้รอบหนึ่งอันนี้ใหญ่ๆก่อนนะแต่ทุกครั้งที่พระองค์จะแสดงธรรมก็มีการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะี ถ้าในบรรดาผู้ที่ละเอียดนี่ก็ไม่มีใครเกินพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยละเอียดละ อ, อทุกแห่มุมหมดเลยทีนี้ภาษาริบุทเนี่ยปรารถนาความรุ่งเรืองแห่งพระสักธรรมไปตราบเท่าห้าพันปีผู้มีเจตจำนงค้ำจุนโลกเนนะคือคือเจตจำนงเจตนาให้โลกุตรธรรมเนี่ยมาช่วยค้ำจุนสัตว์โลกนะไม่ใช่ไปค้ำจุนแผ่นดินต้นไม้ใบหญ้าอะไรที่ไหนหรอก แต่ว่าต้องการให้สัตว์โลกเนี่ยดํารงมั่นอยู่ในสิ่งที่เป็นสาระเนี่ยพระสารีบุตรก็ทําตามเยี่ยงอย่างของพระาศาสดาคือการเอาพระธรรมคําสอนที่พระาศาสดาเนี่ยมาแสดงมาแสดงตามที่พระาศาสดาทรงแสดงพระองค์ตรัสว่าทิศใดที่พระสารีบุตรอยู่ทิศนั้นเหมือนพระพุทธเจ้าอยู่เนี่ยนะพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่หมุนธรรมจักได้เยี่ยงธรว่าเยี่ยงก็แปลว่าเหมือนทำว่าเหมือนนี่แปลว่าไม่ได้เท่านะ แต่ว่าเหมือนเนี่ยําว่าเหมือนนี่ก็เหมือนว่าเหมือนทองเหมือนเงินะนะก็แสดงว่าไม่ใช่หรอกไม่ใช่ของแท้หรอกแต่ว่าใกล้เคียงล่านั้นเดี๋ยใกล้เคียงมากท่านสามารถเปิดเผยพระธรรมคําสอนได้เยี่ยมพระศาสดาทีนี้ภาสิทคือปฏิสัมพิธามรักเนี่ยเป็นภาสิทธ์ที่ท่านท่านนเทเถระสดักภาสิทธนั้นแล้วยกรวบรวมไว้ในคราวธรรมปฐมมหาสังคีติ ตามที่ได้สดับมาแล้วนั่นแหละเนี่ย น, นะคือตามที่ท่านไปเรียนจากพระสารีบุตรเพราะะฉนั้นถ้าใครไปที่เมืองราชครึกนะท่าสัตบัญณครูหาก็นี้ก็เป็นหนึ่งในคมภีร์ที่พระนนท่านยกขึ้นเนี่ยนะยกขึ้นมาทําสังขารนามาเรียบเรียงรย้อยกรองมาสวดมาประกาศอ่าพร้อมกันเนี่ยนะตามที่เรียนมาจากพระสารีบุตรนี้กล่าวโดยคมภีร์ว่า ปฏิสามพิทามมัชเนี่ยนะโดยพระไตรปิฎกก่อนนะพระคําสอนของพระสัมมาสามพุทธเจ้าโดยปิฎกมีสามปิฎกคือพระวินัยพระสูตรและพระพิธรรมปฏิสามพิธามมัชคำภีรนี้นับในพระสูตรเนี่ยนะอยู่ในพระสูตรแล้วก็นิกายในพระไตรปิฎกมีห้านิกายคือทีขณิกายมัชฌิมนิกา ย, กายสังยุตอังคุตคู่ทกานิกายปฏิสามพิธามมัชนับเนื่องในคู่กษานิกาย คำว่าคุถกาิกายเนี่ยหมายถึงไม่ไม่ใช่สีนิกายข้างต้นเรียกว่าคุธกานิกายใครอย่าไปแปลว่าเล็กน้อยห้ามแปลว่าเล็กน้อยวินัยปิฎกเล็กน้อยไหมล่ะไม่เล็กน้อยนะอภิธรรมปิฎกก็ไม่เล็กน้อยนั้นเนื่องจากว่านับเนื่องในไม่ใช่นิกายห้าไม่ใช่นิกายสีที่เหลือที่กล่าวไปแล้วเรียกว่าคุถกาิกายจนทาง ก็แสดงตามลำดับของสิกขาเพราะศาสนานี้มีสิกขาเป็นเบื้องต้นเนี่ยนะคือมีศีลสิกขาเป็นเบื้องต้นมีสมาธิสิกขาเป็นท่ามกลางมีปัญญาสิกขาเป็นที่สุดเพราะฉะนั้นจึงขึ้นต้นด้วยศีลก็แสดงเรียบเรียงโดยลำดับการปฏิบัติเนีเ่ยนะเพราะฉะนั้นลำดับโดยการปฏิบัตินั้นขึ้นต้นด้วยศีลแต่ว่าศีลที่ที่มีปัญญานะควบคุมอยู่เนี่ยนะเป็นศีลที่ที่มีปัญญาเนี่ยควบคุม ทัานถือว่าขึ้นศีลก่อนเนี่ยเพราะว่าลำดับของการปฏิบัติเนี่ยนะถือโดยลำดับการปฏิบัติซึ่งลำดับจริงๆแล้วมีอยู่หลายในด้วยกันนะมีทั้งลำดับในการแสดงลำดับในการปฏิบัติลำดับในการบรรลุเป็นต้นนะซึ่งมีอยู่หลายลำดับด้วยกันอันนี้ก็คือลำดับแห่งการปฏิบัติที่ขึ้นพระวินยัยพระสูตรพระพิธรรมเนี่ยจะขึ้นด้วยลำดับการปฏิบัติ ในคำสอนประกอบไปด้วยองค์เก้าคือสุตตะเคยะวยกากรณะคาถาอุทานิติวุตกะชาตกะภูตธรรมเวทละเนี่ยนะคำพีปฏิสัมพิธามักนับเนื่องในเคยะและว ย, ยากรเคยะก็หมายถึงกลุ่มคาถากับวยาก์ก็คือคำชี้แจงคำจำแนกพระธรรมธรรมสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดสิ้นเชิงมีอยู่ถือว่าแปดหื่นสี่พันพระธรรมขัน อันพระอนนเถระผู้ธรรมพันธาคาริกอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยกขึ้นสู่เอตทัคคะในห้าตำแหน่งคือพระพุทธเจ้านั้นชมพระอนนทว่าเป็นเลิศห้าสถานด้วยกันพระนนกล่าวไว้ในคัมภีร์เถระคถาว่าธรรมะเหล่าใดอันเป็นไปแก่ข้าพเจ้าธรรมะเหล่านั้นข้าพเจ้าเรียนจากพระพุทธเจ้า8ปดหมสองพันพระธรรมขันธ์จากที่สุ่อื่นอีกสองพันพระธรรมขันธ์จึงรวมเป็น 84% ดหมพันพระธรรมขันธ์ คัมภีร์ปฏิสัมพิธามรักปรกรณ์นี้นั้นนับเข้าในพระธรรมขันธ์มากกว่าร้อยนะในธรรมขันธ์สองพันธรรมขันธ์ที่เรียนมาจากพระพิสุอื่นที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้านะก็นับเนื่องในมากกว่าร้อยนะไม่ได้บอกว่ากี่ร้อยแต่ว่ามากกว่าร้อยคัมภีร์ปฏิสัมพิธามรักปรกรณ์เนี่ยนะว่าโดยวักมีอยู่สามวักวักก็คือกลุ่มนะมีอยู่สามกลุ่มคือมหาวัคมัชชิมาวักและ จุลวัคมีอยู่สามวัคด้วยกันแต่ละวัคแต่ละวัควัคหนึ่งหนึ่งมีวัคละสิบเรื่องสิบคาถากาถาแปลว่าเรื่องอันั้นมีอยู่สิบเรื่องวัคละสิบเรื่องรวมเป็นสามสิบเรื่องมียานักถาเป็นเรื่องต้นมีมาติกาคถาเป็นประโยสารคําว่าข้าพเจ้าคือพระมหานามะผู้เรียบเรียงอัตถคถาสัทธรรมะประกาศเสนีกล่าวว่า ข้าพเจ้าจะพัน น, นาเนื้อความแห่งบทที่ไม่ซ้ํากันตามลำดับแห่งปฏิสัมพิธามักคกรกรนี้ที่กําหนดโดยส่วนเดียวด้วยประการชนีดคือท่านจะอธิบายตามลำดับคําคําไหนเคยอธิบายแล้วถือว่าเอาอาธิบายครั้งก่อนเป็นเกณฑ์ดังนั้นก็จะอธิบายตรงไหนที่ไม่ซ้ําว่าแสดงอย่างนี้ไปด้วยแต่ถ้าทุกคําอธิบายไปทุกคําก็ไม่ต้องจบกันแล้วก็คำไหนเคยอธิบายก็ถือว่าอาธิบายแล้วนะก็กลับไปดูเอาของเก่ากันแล้วกัน